วันนี้เป็นวันที่6สิงหาคมพุทธศักราช2555พระทั้งหมด42รูปวันนี้ตรงมาชัน33รูปงดชัน9รูปวันนี้ก่อนที่จะอดอาหารต้องวางแผนให้ดี ว่าข้าพเจ้าจะอดอาหารละขานแต่ไม่ต้องตั้งสัจจะอย่าไปตั้งสัจจะถ้าตั้งสัจจะแล้วมันคือมันเครื่องผูกมัดถ้าภาวนาจิตใจไม่ก้าวหน้าจิตใจมันล้วนเลยมันมีบางครั้งเราจะมาฉันอาหารก็ขัดติดสัจจะถ้าตั้งสัจจะก็ต้องตั้งอย่างอื่นข้าพเจ้าจะนั่งภาวนาวั น, วนละกี่ชั่วโมงพยายามทาให้ได้ ข้าพเจ้าจะทำวัดไหว้พระทุกวันไม่ให้ขาดข้าพเจ้าจะเดินยงกลมทุกวันวันละกี่ชั่วโมงอันนั้นคือสัจจะแต่การอดอาหารหลวงพ่อเคยแนะนำมาแล้วบอกว่าอย่าไปตั้งสัจจะเนอดอาหารถ้าว่ามันภาวนาไม่เป็นก็กลับมาฉันซะเดี๋ยวตปะปาแตะคเพราะนั้นให้ มาชันเพราะที่ฉันเรามีอยู่แล้วเราไม่ได้อดเพื่อให้ลม้มให้ตายไม่ได้อดเพื่ออย่างอัตตกคิเลมัฏฐาอย่างพระพุทธเจ้าอดท่านอดจริงๆอดแล้วก็ไม่ได้คิดไม่ได้อะไรมิถะอดอย่างเดียวทรมานกายอย่างเดียวแต่การอดของเราเนี่ยอดเพื่อภาวนาวันนี้วันพุ่งนี้เราจะอดอาหารข้าพเจ้าจะตั้งจิตอธิษฐาน ข้าพเจ้าจะไม่ให้เผลออทดลองสิมันเผลอมันเป็นยังไงฮะมันเผลอสติมันเป็นยังไงข้าพเจ้าจะไม่ให้เผลอเนี่ยจากนั้นก่อนเนี่ยพอสว่างขึ้นมาแล้วก็ปัดกวาดทําความสะอาดทําความสะอาดเปล่งพงแปลงพันตัวเองเสร็จเรียบร้อยแล้วกันะเข้าทานย่างกลมเดินย่างกลมแล้วก็นั่งภาวนาเดินย่างกลมนั่งภาวนา จะไม่เผลอนเป็นยังไงทดลองนะเจะไม่เผลอบังคับไม่ให้เผลอนั่นอันนี้แหละคือเรามีเวลามากในการอุทารควรจะเป็นอย่างนั้นเป็นยังไงควาว่ามีสติเต็มที่มันจะเป็นบ้านได้ยังไงคนที่เป็นบ้านคือคือคนขาดสติสติไม่อยู่กับตัวเองถ้าสติไม่อยู่กับตัวเองนั่นแหละบ้านแน่แน ถ้อยู่กับตัวเองอยู่ตลอดมีสติอยู่กับตัวเองเดี๋ยวจะเป็นบ้านอะไรยังไงสติสัมปชัญญะสติคือความระลึกได้สัมปชัญญะคือความรู้ตัวเดี๋ยวนี้เราคิดเรื่องอะไรเราก้าวเดินยังไงเราบริกรรมอะไรใจของเราอยู่ในสภาพไหนเช่นนี้เดี๋ยวนี้เราคิดปรุงไปทางไหนมันทันใจของตัวเองบม่ใหม่มันก็ต้องยากนะไม่ใช่ธรรมดาอย่างวันหลวงตาท่านบอกว่า หนักที่สุดในการบังคับจิตให้อยู่กับที่หนักยิ่งกว่าทําการทํางานเป็นไหนไหนแต่ถึ้งยังไงไม่มีทางอื่นมีทางเดียวต้องมีการบังคับบังคับใจตัวเองไม่ใช่บังคับลมนะไม่ใช่บังคับกายนะบังคับกายให้มันพิ่งให้มันกระโดดโลดเต้นไม่ใช่ให้มันเดินให้มันพิ่งเร็วไม่ใช่ให้ให้มันหายใจเร็วไม่ใช่ไม่ใช่บังคับกายบังคับตัวผู้รู้ คือตัวตัวนักเคส์น่ะให้อยู่กับจุดใด จ, จุดหนึ่งให้อยู่กับลมหายใจเข้าออกเพื่อให้อยู่กับการก้าวเดินนี่แหละเมื่อเราอดอาหารเราต้องตั้งสัจจะตั้งสัจจะอย่างนั้นแล้วก็เวลาไหนเราควรจะทําอะไรกลางคืนเรานอนพักผ่อนนั่งนอนภาวนาไปเรื่อยจนหลับพราะเราปล่อยอารมณ์มานมนานแล้ว อายุของเราเท่าไหร่ยี 20, ่สิบสามสิบปีตั้งแต่เราเกิดมาเราปล่อยอารมณ์มาตลอดแต่บัดนี้เพียงวันสองสามวันเนี่ยเราจะบังคับให้มันอยู่กับตัวเองจะเป็นยังไงทดลองดูซิพระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วสติอยู่กับตัวเองนั่นแหละอจะเดินเข้าสู่ความสงบจิตใจจะเข้าสู่ความสงบถ้าจิตใจปล่อยเอเอระเหยไปเรื่อย มันจะไม่สงบมันเลื่อนลอยถ้าเมื่อนลอยมันมันได้อะไรเนี่ยเราปล่อยมาตั้ง2ี่สิบสามสิบปีสีบปีห้าสิบปีมันได้อะไรแต่เราบังคับเือสิเนี่ยช่วงนี้มันเป็นยังไงตามแนวแถวที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์บอกให้สติอยู่กับตนเองมันเป็นยังไงนี่แหละอยากจะให้พวกเราสนใจใส่ใจในเรื่องการปฏิบัติแต่เรื่องอดอาหาร ือให้ได้เวลามากทานเองแต่ว่าถ้าเราไม่อดอาหารเราทานอาหารอย่างบริบูรณ์ความง่วงเหงาเฝ้านอนความวงกความง่วงมันจะทับถมร่างกายของเราจนเกินไปเพราะนั้นเราต้องผ่อนอาหารไม่ถึงก็อดก็ให้ผ่อนลงในขณะที่ทำความภาคเพียนถ้าอดได้ก็คอ้ายกเราต้องดูนิสัยและอุปนิสัยของเรา ธาตุขันของเราถ้าเราอดอาหารแล้วมันเป็นยังไงก็สังเกตไปด้วยสังเกตทั้งธาตุขันด้วยสังเกตทั้งใจด้วยแต่บางครั้งเราเอาแต่ใจอย่างเดียวลืมมองธาตุขันก็ไม่ได้เหมือนกันนะเหมือนกับโซูโฟร์อยากจะขับรถให้ถึงจุดหมายปลายทางแต่เราลืมดูน้ํามันดื่มดูน้ำํำตรวจสภาพของรถรถมันก็ไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางเหมือนกัน เพราะนั้นเราต้องเราเป็นเจ้าของรถเราต้องสุขภาพร่างกายเราก็ต้องตรวจตรา ด, ด้วยไม่ใช่ปล่อยปะละเลยแต่พร้อมการก็ใจของเราเนะนี่อมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจเอาให้จริงจังในขณะที่เรามาบำเพ็ญภาวนาเรามีโอกาสอย่างนี้หาดยายากเพราะนั้นขอให้ปกครองพระลูกพระหลานทุกองคนะ์เนื่องการภาวนาเนี่ย มันต้องใหม่ๆมันต้องเข้มงวดกวดคันเหมือนกับเด็กเรียนหนังสือไหนจะให้สมัครใจเรียนจะเลยคงจะเป็นไปได้ยากเว้นแหวกเว้นเสียแต่เป็นเด็กอัจฉริยะมีอุปนิสัยเก่าแก่พอเกิดมาแล้วก็อยากจะเรียนหนังสือเลยมันหายากนะแต่โดยมากก็มีแต่อยู่กับพ่อแม่แลย้ยเที่ยวเล่นกับงองแง่พ่อแม่จะส่งไปเรียนหนังสือหรือตั้งร้องโหมร้องให้พ่อแม่ก็เห็นว่าการเรียนเนี่ย มันเกิดประโยชน์ถึงจะงอแ ง, ง, งขนาดไหนก็ให้ไปให้พาพี่เลี้ยงไปจะทำยังไงจริงจะให้ไปไปเรียนหนังสือนั่นแหละแต่เมื่อเรียนหนังสื อ, เ, อเป็นติดโรงรำ่ำโรงเรียนติดโรงเรียนแล้วนี่นั่นแหละมันไปเองนี่ก็เหมือนกันนะใหม่ๆคงต้องบังคับซะก่อนบังคับเข้าสมาธิพอบังคับแล้วติดสมาธิเดินปัญญาพิจารณา จิตใจของเราเข้าสู่ความสงบแล้วแมันเห็นผลแล้วแต่นี่ยนะพอเห็นผลไม่ต้องบังคับแหละมันไปเองแต่หมุนเองก้าวกระโดดไปเองแต่ลังไม่อยู่เนี่แหละใหม่ๆเนี่ยก็ต้องเขี่ยวเข็นอย่างที่เด็กไปเรียนหนังสือนะใจของเราเหมือนกันใจของเรายังไม่เห็นคุณค่าในเรื่องจิตใจสงบความสงบเราก็ต้องบังคับตัวเองก่อน เมื่อบังคับแล้วก็เมื่อมันเห็นเหตุเห็นผลแล้วจิตใจของเราเป็นเหตเป็นผลแล้วจะเนี่ยมันไปเองนี่แหละนะขอให้พวกเราสังเกตที่หลวงพ่อพูดทางนี้ทางนั้นให้พวกเราสังเกตเมื่อฟังไปแล้วว่าให้ปฏิบัติ ด, ดูทดลองดูเป็นยังไงหลวงพ่อว่าหลวงพ่อแนะนําไม่ผิดนะที่แนะนําให้แก่ลูกแก่ลานให้แก่ผู้ปฏิบัติตท ด, ดลองดู แต่หลวงพ่อว่าให้ทดลองแต่ตลวงพ่ออยากให้จริงอย่างนั้นแหละบางทีให้จริงจังแต่ลูกหลานอาจจะไม่จริงจังอะทดลองดูะลองลงมาถ้าพวกเราทดลองดูแล้วครับจะได้รับไรริมรถแห่งความสงบและจิตใจสมุนไปเองเลยขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะเกิด มาทั้งทีชีวิตเราก็ได้พบพระพุทธศาสนาได้มาปฏิบัติอย่างนี้โอกาสเวลาอย่างไงเราก็รู้แก้ใจว่าเราจะอยู่อย่างไงปฏิบัติอย่างไรอดอาหารอย่างไรบำเพ็ญอย่างไรเราก็รู้แก้ใจก็ขอให้จริงจังแต่จริงใจมักผลนิพพานกลอคอยผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติจริงปฏิบัติจัง พวกเราเกิดมาในโลกมาพิจารณาดูซิพิจารณาดูให้ดีเกิดมาทั้งที่ทั้งที่เกิดมาแล้วก็ตายตายทุกวันทุกคนทำไมเราจึงอยู่ไปเป็นวันๆเพื่อตายทำไมจึงรุ่มหลงมัวเมาเพื่อตายเราไปกินข้าวไปทาไมเพื่อตายกินไปแล้วก็ตายก็ไม่มีใครที่จะหลีกลี่หนีพ้นไปได้ แต่พิจารณาดูมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆตามความเป็นจริงแต่ว่าเมื่อไม่กินมันหิวมันหยมันเหนื่อยเฮ้เราก็ต้องเลี้ยงธาตุเลี้ยงขันไปแต่เลี้ยงธาตุเลี้ยงขันขนาดไหนคนเถอดเราก็ต้องรู้เท่ารู้ทันเมื่อยู่เสมอว่าธาตุขันเนี่ถึงจะเลี้ยงยังไงแหมมันก็ต้องแก่เจ็บตายไม่มีอะไรที่จะเหนือไปกว่านั้นแต่ประกอบที่จะตายพระพุทธเจ้าท่านค้นคว้าศึกษาแล้วมีทางไปเยอะแยะเยอะแยะ ไปอยู่สวรรค์มีหลายชั้นแต่ละชั้ น, นอายุยืนต่างกันอีกไปสู่พรมอายุยืนต่างกันอีกอันนี้เรามาอยู่มนุษย์อายุขนาดนี้แต่ถ้าเราไปเป็นยุงล่ะจะไปเกิดเป็นยุงอายุมันก็เจ็ดวันเพลิดเพลนสองสามวันมันหินวอาหารมันก็ตายไปอายุของสัตว์ก็ไม่เหมือนกันอีกอย่างหมาอ า, อายุสิบเอดสิบสองปีนี่ก่ แก่เท่าเต็มทนแล้วเพือเพอก็ตายไปแล้ะหมาตัวไหนถึงสิบห้าปีนะเกิทั้งยากแหละวัวควายเท่าไหร่ยี่สิบปีช้างเท่าไหร่หกสิบ็สิบปีห้าหกสิบปีเกือบเกือบเท่าเท่าคนช้างนะอายุของสัตว์ทั้งหลายก็ลักษณะอย่างนั้นอายุเทวดาเลยเทวดาชั้นต่ำเท่าไหร่ชั้นกลางเท่าไหร่ชั้นสูงเท่าไหร่ผมโลกเท่าไหร่ นิพพานไม่มีที่สิ้นสุดแต่พรมพรมเลยนานนานมากนี่แหละอายุของแต่ละแต่ละสถานที่มันแตกแตกต่างกันอาหารของแต่ละคนอาหารแต่ละกลุ่มก็แตกแตกต่างกันอีกอาหารแต่ละสัตว์่ละประเภทพวกเราเห็นไหมมันไม่เหมือนกันนะแต่ว่าคนนี่ก็เหมือนกันขนาดเกิดเป็นคนแต่ละเผ่าพันธ์อาหารก็ยังเหมือนกันแต่ยัง ไม่เหมือนกันอีกแต่ละประเทศอาหารแต่ละเผ่าพันธุ์ก็ยังต่างกันแต่ทุกเผ่าพันธ์กับเพื่อกินเข้าไปกัเพื่อ ย, ยังธาตุขันให้เป็นไปแต่ละหมูสัตว์เหมือนกันมันกินเข้าไปกับเพื่อ ย, ยังชีอปมันให้เป็นไปอันนี้คือการเลี้ยงธาตุขันแต่ส่วนนามธรรมคือจิตใจนะั่นแหละทุกตัวสัตว์ทุกตัววิญ ญ, ญาณมีใจเพื่อออกจากร่างแต่ละวิญ ญ, ญาณแล้ว ไปสู่ภพภูมิต่างๆแปกต่างกันแต่และภพภูมิเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เราต้องศึกษาศึกษาและลงมือปฏิบัติแล้วก็มองตนเองถ้าเห็นตนเองแล้วมองตนเองแล้วจะรู้ได้เปรียบเทียบได้กับการเป็นอยู่ของสรรพสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในโลกมีมากมายอย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นสรรพสัพตว์ การคองชีพกันเป็นอยู่การดำรงชีพแต่ละสถานะของสรรพสัตว์ทั้งหลายแตกแตกต่างกันสรุปแล้วคือแต่ละตัวก็มีกรรมกรรมคือการกระทําการกระทําของสรรพสัตว์เพราะนั้นพวกเราได้มาพบเจ อ, อพทษษุทธศาสนาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วควรจะทําแต่กรรมดีกรรมชั่วจะทําเสลยดีกว่าทําแต่กรรมดีเมื่อทํากรรมดีและกรรมดีนะจะจะตามสนองพวกเรา พวกเราจะมีแต่ความสุขความเจริญนะสรุปแล้วก็คือมาอยู่จุดนี้หกฝ่ายพระสงฆ์มาเนี่ยมาเพื่อตั้งใจภาวนาก็อย่างที่รลวงพ่อได้พูดนะคือให้มีสัจจะสัจจะคือความจริงจังและจริงใจในพรรษานี้เราจะทํำยังไงเราจะภาวนาอย่างไรเราจะบังคับจิตให้มีสติยังไงสรุปแล้วก็คือให้มีสติเกี่กับตนเองตลอด อันนันดีที่สุดนะบังคับใช้บังคับถ้าจะเป็นปล่อยธรรมดานะมันคงมันจะไม่ไม่ได้เหมือนเด็กนักเรียนลูกของเราที่จะไปเรียนหนังสือใหม่ก็วาทานบังคับนี้ก็เหมือนกันใจของเราต้องต้องบังคับทนะาบังคับแล้วมันเห็นผลแล้วมันมันก้าวไปเองถึงกระโดดไปเองหมุนไปเองผันตัวให้สูงขึ้นไปเองนะ รับพรอนุโมทนาให้พร